สบายนะเปรีาการนั่งแบบนี้มันสบายกายสบายจิตถ้ามือเวลาเกิดปวดเจ็บขึ้นมาก็พิจนรณาแล้วก็นมื่อว่าฐานนี้อ่มันสนุกสบายถ้านอื่นคือฐานนี้ไม่ได้เลยนะที่มันเจ็บขึ้นปวดขึ้นมันมาจากที่ไหน แต้แอาเันมาแต่เมื่เวลาเร า, น, รานั่งบุนตนทำไมมันมีเวทนาส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นจากอะไรเจรนาให้เกิดสติปัญญาจากการเก็บการปวดของตัวให้เจรณาดูความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากตัวของเราไม่มี ไปถือมาให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีเวลาหายไปใช่มันเกิดตั้งอยู่เรื่อยไปสู่คนที่นีพิจรารณาดูเหตุเห็นผลจริงจังถึงเวทนาจะยังอยู่ในกายจิตตัวไม่เกี่ยวข้องในอุบายทีจิตเวทนาเพราะจิตอยากแยกจากเวทนาได้อีกอย่างก็จิตรวมรวม มายึดเกี่ยวกับเรื่องของกายเวทนาก็หายไปเชื่อมั่นว่าสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นจะต้องมีการแด่พวนแล้วก็แตกดับไปตามธรรมชาติของมันเวลามันปวดหนักจิตใจไม่ปรุงปรุงไปส่วนอื่นจะต้องยึดหน่วงในเวทนามันปวดอย่างนั้นมันเก็บอย่างมันจะขาดจะแตกอยู่ในเรื่อง้องการเก็บความปวดของตัวพิจารณาอะไรมันปวด หนังหรือเน้อหรือเอ็นหรือกระดูกหรือที่ไหนกําหนดแห่งที่มันปวดมาพอมาเข่าส่วนจิตข อ, องเราแยกออกจากเวทนาได้หรือมาอย่างนั้นกลุวมลงไปเวทนาตัวนั้นก็หายขา่ะเป็นอุบายปัญญาและก็ป้าหารเวทนาเกิดขึ้นมาทีหลังเราจะต้องมี <c oughs> การต่อสู้เอาใจพนะ จิตใจที่ส่อสู่เวทนาในการนั่งภาวนารู้สึกว่าได้กําลังดีกว่าจิตใจรวมธรรมดาพอเราสู้กับข่าสึกได้ชนะข้าสึกรู้สึกว่าจิตใจลู้งเด่นขึ้นไปรวมธรรมดาจิตมีเวทนาอีกเป็นอย่างส่อสู่ก็เวทนาเป็นไปอีกอย่างเรื่องของจิตเราก็ต้องสู้นี้ทุกคนหรือเวทนาามทุก เจ็บปวดต่างๆหาเราไม่มีปัญญาไม่ได้พิจรารณาตอนเราป่วยหนักเจ็บหนักเราก็ไม่มีปัญญาที่จะพิจร า, ารณาแยกแยะเวทนาออกจากใจแต่ื อ, อว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนานาาี้ในเราเรามีในเวทนาหมดเลยเป็นภูมิกันใหญ่ต่างคนต้องมีการต่อสู้ว่จะได้ทดสอบกําลังจิตใจของตัวได้เวนาหรือ แค่เรีนชจะรู้จักสู้ได้มันจะเกิดขึ้นมาขนาดไหนในอนาคตตอนเราจะทำต่อไปแต่เราได้กำลังจากการต่อสู้แล้วก็มีจิตใจเข้มแข็งเคยเห็นเคยเป็นเคยสู้ได้ใจชนะก็อยากเะนสู้ไม่ทอดผอยคนที่ภาวนาไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ จิตใจมาอยู่ลงปุ่งต่างๆโดยมากพอไปโดนเลทานาเจ็บปวดนิดๆหน่นนอยๆเขาก็นั่งมานานพอต้องควรแล้วปวดเลือเกินเปลี่ยนที่ปวใหม่เชฟไปแบบนั้นจิตใจก็ไดยเคลยตัวพอนั่งไปนิดๆหน่นนนอยๆไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงรู้สึกเจ็บปวดขึ้นปรบเอาฮะวันใหม่เอาเอาอีกมากอย่าแกะตัวไปแบบนี้ ก็เลยไม่มีเวลาผ่านเวทนาจิตใจก็เลยไม่กล้าเวทนาเป็นหินรับของค์จิตปฏิบัติท่านเคยปฏิบัติมาท่านเคยได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความมีความเด่นจากเวทนานับไปทัว่วทุกคนนี้ใจไม่มีรูปเวทนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณมันมี มาอย่างนั้นขันทั้งห้าก็ไม่ครบมีเป็นอุบายต่สอนถูเวทนาจะอย่าไปกําหนดให้มันเกิดอยาจะกําหนดให้มันดับมันจะเกิดตัไม่เกิดขึ้นเรื่องของมันมันจะดับตัวจะไปคขับไล่มันถึงเวลามันพอตัวในเรื่องของกิจมันจะเห็นเองจะรวมเองอยากแยะ กันออกได้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงอย่างกอง <c oughs> เราไม่ตีมันไม่ดังเราไปตีมันถึงคนดังขึ้นเสียงก็ไม่ใช่กองไม่ใช่คนผูไปตีเป็นอีกอันหนึ่งเรื่องขาดแขนกีฬาเวทนาเหมือนกันไม่ใ่เราไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตเป็นอันหนึ่งต่างหากแฝงอยู่ในจิตในรูป ในกายเห็นประจักษ์ไม่ใช่พูดเล่นเคยไปปฏิบัติมาผู้เห็นอย่างนั้นจึงกล้าถ า, ายทายว่าเรื่องของเวทนาใม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเป็นเรื่องผิดเห็นประจกักษ์ชัดเจนในจิตในใจที่บายการฌานะธรรมะธาตุเรา ที่เรณนาจริงจังจิตใจจะเห็นจะรู้จนละจนถอนในความติดข้องยึดถือส่วนนั้นถ้าหากเราทำเล่นๆผลจะเกิดจะเป็นตัวเพียงนิดๆในหน่อยดังนั้นะูดได้เจ้าก่อนที่จะตั้รู้ต้องสู้พยามารอะไรมาริเลสมามานขันธรมาน ที่สังขารมาเลวุตตมานมัจจุ ม, มานมาเหล่านี้ไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นที่เรียก็รรคือความไข่ของใจไปในรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสต่างๆทำไข่ของใจที่ปรุงปรุงไปอย่างนั้นไม่ทําจิตทําใจให้สงบสงบไข่ปรุงไปเท่าไรก็เกิดความ กำนัดยินยีเกิดความเพลิดเพลินเกิดความลุ่มหลง ม, มัวเมาไปเท่านั้นเหตุนั้นทางธรรมะทันจริงว่าเป็นมิวรนคือเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตสงบรวรวมในเหัดเหตุธรรมต้องกำจัดออกไปความคิดความปรุงส่วนนเหล่างที่เลียนสมา ย่า้มาผ่านยังไงให้เป็นเจ้าจิ่เจ้าใจของเราขับไล่ออกไปขันธมาตก็คือความยึดขันยึดรูปยึดสุทุกๆต่างๆเดี๋อวเวทนามีความหมายกายเป็นเราเราเป็นกายเย่อสัญญาความปุ่งปุงาย ใ, ในใจ อย่าสังขารความรู้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิน้น <c oughs> กายอย่ยงวิญญาณขันธ์ธรรมหากิดิยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์การปฏิบัติมันก็ไม่สะดวกมันเป็นอะไรขึ้นกูเราเป็นเห็นอะไรเข่าก็เราเห็นพ้นที่สุดก็เลย สิ่งที่คนวนคัวของตัวสิ่งที่ควนยึดกัวยึดจิตไม่เป็นกลางวางเรื่อของขันในดำเป็นอย่างนั้นก็เรียกขันธรามะคือมันมารบกวนจิตใจไม่ให้เข้าสูกอัดทำจริงจังมาตรฐานก็คือความวัวเรื่องตายเราเหน็บเราขวดแล้วเหน็บ เ, เเบเราเหนี่ยอย่างนั้นอย่าง รัวจะตายมันมีเมื่อทำไปมานทั้งหา้าดีวามันมาชวนจิตชวนใจของเราให้หลุมหลงมลันอะไรเกิดขึ้นก็สั่งมัดจะต่อสู้เบิดขันติบารามีวิทยาบารามีทานบารามีเราเคยสละให้ทานสักทีไหมหลางกายของเรา ไม่เคยวัตถุอันอื่นเราเคยเราเคยได้บูชาไหมเครื่งกายวาใจใจบูชาพระรันตนไตบูชาสวนดอกไม้ทุกเคียนเคยบูชามาแต่เราจะเสียสละ เ, เนื่อตายอย่างไรก็จะเอากายอันนี้ตั้งบูชาพระรันตนไตอัจทำส่วนใดส่ควรจะรู้จะเห็นทำให้รู้ไม่เห็นก็จะเอากายอันนี้เป็นเครื่องประกันมันจะตายไปเมื่อไรให้มันตายไป มันจะแตกไปที่ไหนให้มันแตกไปในใจของนักรบจริงจังเป็นอย่างนั้นไม่ทอดถอยทีนี้พิจารณาอย่างหนักแน่นเวลาจิตใจมันฝุ่มตร ง, งมันยึดถือต่างๆหากเราเสียสละได้จริงจังอย่างนั้นอัดทำทีส ท, ทันลูดไว้จะเห็นไปจากในใจ คนจิตกลัวตายนี้ตายไม่ได้พ่อกรัวคือไันมีการต่อสู้เอา๋ยวไานะจากตายไม่เคยมีอะไรมันตายอะไรมันเหลืออยู่สู้กันจริงๆจังจจะต้องเห็นเด่นขึ้นจริงๆเราหวาดตายเราก็พิจารณาหยาบคายลงไปอะไรมันตายตายนี้ก็เป็นธาตุผสมต่างหากดินน้าไฟลมมันก็จะไปตาม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 คนที่ดูจนดูจนเห็นจนผ่านค้นไปได้คนนั่นแหละเป็นหลุกติดของพุทธเจ้าสูจริงๆทานแบบนี้เรียกปรมาทัศนบารามีคือทานยิ่งทานยอดถ้าคนไม่ห่วงตยแเ้วไม่มีอะไรจะกตัวโลบอันนี้นปวกลัวก็คือตัวตัวจะตายถ้าเสียสละให้ทานได้อย่างนี้ ตายมันจะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนก็นให้มันไปสู่จนถึงจีดถึงขั้นอะไรตายอะไรเหลืออยู่กูเห็นกระจักชัดเจนในตัวในการกระทําของตัวพระพุเจ้าสู่แบบนั้นแตนเชิงว่ามีนางพรณีมาช่วยเหลือพอทันแ ล, ล้วเลืองถึงการ น, น่งของทันเบื้องตน้น ว่าเรานั่งเวลานี้คราวนี้เป็นคราวสุดท้ายถ้าหากไปเลยแต่สรู้มืออะไรความดีเด่นคนกิเลดไม่มีจะไม่นีจจากที่เลือดเนื่อในตัวมันจะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่กระดูกปวดตาขีดจากความดีในเกิดเฉนเป็นขึ้นจะไม่ยอมลุกจากที่พอเกิดความเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดขึ้นมาอย่าบอกพยายามาน มาลบเอาบรรลังฤฤหรือที่นั่งข้องแข็งคนเราโดยมากที่มันเห็นทุกประจักษ์ชัดเจนต่พอพระอดีตบททั้งสี่ปกปิดเอาไว้นั่งนานๆพอเป็นทุกหน่อยนี้ไปเดินเยอยเดินนานๆก็เหนื่อยก็มานั่งเยอะอดีตบททั้งสี่ปิดเอาไว้ที่มันเห็นทุกประจักษ์ชัดใจนถ้าหากเรานั่งนานๆแล้วยืนนานๆจะเห็นก่อนทุกกายอนัน เป็นทุกข์จริงๆอย่างจรงพอจิตยึดจิตถือถ้าจิตเห็นจิตรู้เรื่องทุกข์เหล่าพิจารณาทุกข์ให้เห็นเป็นทุกข์ให้เป็นเราให้เป็นของเรามันเกิดขึ้นมาจากอะไรความทุกข์เกิดขึ้นมาจากความอยากของใจเกิดขึ้นมาจากจิตอื่นิจารณาความอยากเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์เดยกพิจารณาสมุทัยจิตใจเมื่อเห็น เด่นชัดนั่กาปล่อยวางเรียกนิโรธคือความผลทุกข์ทั้งๆที่กายมีจิตมีอยู่แต่ทุกข์ไม่มีในความรู้ของบุคคลผู้ฝึกฝนผู้เห็นอย่างนั้ น, นเรียกว่านิโรธการฝึกก็ไม่ใจ่คนอื่นจะมาฝึกให้เยนาต่อสู้จริงๆจริงๆจะเห็นในเรือวิสัย ใ, ใหญ่ดีเด่นเต็มสุขแล้วก็ไม่มีการติดห้องเพราะเรื่องของกายตัวเองก็ไม่ติดห้องเรื่องสมบัติภายนอกจะได้ปห่วงใหญ่อะไร ท, ไะทําไมเพราะพิจารณาเรื่อ ง, ง, งยยของกายอยาบคายแล้วความยึดส่วนใหญ่ก็ยึดเรื่องของกายรูดให้เจ้าทันจึงสอนให้พิจารณาเรื่องของกาย ล, ng, ล, ล้มก็ล้มเรื่องของกายต า, ามสมมติั่นหมายต่างๆ ขับพิโมดเอาไว้เราพิจรารณากายอยากทายพิจารณาทุกทายเห็นตามเป็นจริงละความอยากข้องคิดผ <c oughs> ิดจิตยึดต่างๆโดยอุบายปัญญานันเปรนหมดปัญหาเรื่องของศาสนาะเป็นเรื่องสันส้นๆจะมีความสุขวิเศษประเสริฐยิ่งกว่าความสุขคนอื่นแต่พวกเราทุกคนเกิดมา ก็ไม่ค่อยได้พิพจรารณาธรรมอุบายติดแต่สักอดติดใจก็ไม่ค่อยในยินมไปมาปพูดติดใจก็เลยหลุ่มหลงไปตามลมปากของคนอื่นบ้างตามกิเลสตัณหาของตัวเองบ้างก็เลยไม่มีทางแต่ทีนี้พิจรารณาเหตุนั้นจริงถือว่าการภาวนาเป็นของยาก ความจริงถ้าหากมันยากก็ไม่มีใครที่จะผ่านพ้นไปได้ถึงยากถึงลำบากก็ไม่เหลือวิสัยจะทำได้ยังมีเราคนคนหนึ่งจึงเกิดมาในโลกสมควรที่จะทำได้อย่างคนอื่นสอนตัวเองให้บากบัน่นพยายามตามรักษาจิตกิเลดตัณหาจิต หนหัวใจให้เฝ้าฝันรักใครยินดีชอบใจต่อพิจารณาเรื่องของกายอีกกำหนดดูทุกสิ่นทุกส่วนอะไรมันสวยสดงดงามอะไรมันเป็นสิ่งที่น่าหูุดน่ชมอะไรที่มันหอมหวนมันไม่มีในเนือ้อในกายของมนุษย์ที่เขาสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่เราลุมหลงกันเพราะคนนั้น เพราะว่า oh, oh, ah. สวยอย่างนั้นงามอย่างนี้แต่ี่พิจารณาตามความจริงของมันถ้าพิจารณาตามความจริงของมันมันก็หายไปเหมือนนี่เมื่ออยู่ที่ใดเอาไฟเข้าไปส่องตาเมื่อตัวหายไปปัญญาธรรมะของพู้ใเจ้าของเงินไฟธัมโมปฏิโปรองเข้าไปมันสงใส่อะไรมันเป็นจริงอย่างไรจะให้ทราบทราบภาย ใ, ในใจของเราอยู่บาย อย่าพิจารณาจะช้ที่เหลือตัณหาความติดข้องของใจาหากไม่ตั้งใจที่นี้พิจารณาเอาธรรมะเขาทักพอกหรือสองทางแล้วก็นาฟันจะลุ่มหลงปุ่นมัวก ป, ปกบปบเรื่องของจิตใจเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีใครที่พระพุทธเจ้าจะไม่ตัตรูจะออกจากโลกได้จะเห็นใครในการเกิดการตาย ถึงเห็นก็ไม่มีทางที่จะออกได้เลยคิดปรุงปุ่งไปต่างๆและที่ศาสนาจึงเกิดขึ้นหลายอย่างหลายอันเพราะความสงสัยลังเลในใจว่าอันนั้นจะถูกอันนี้จะผิดคิดเอาไม่เห็นจิงรู้แจ้งเหมือนพระพุทธเจ้าพุทธศาสตร์ศาสนาคือคาสอนของผู้รู้ท่านรู้ท่านเห็น ทันดีทันเด่นจริงๆไม่ใช่ท่านโกหกพคตลมพูดอะไรเง <c oughs> นจะเห็นด้วยใจจริงจังไม่ใช่ขาดทะแนนหรือสุ่มเดาคำนวณเอาพขาใจ้จ่าสรู้เห็นดีเด่นอย่างนั้นจึงน่ากลาาหน่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั่งสอนมาที่เาราสงสัยลังเลใจหรือไม่เชื่อเพราะเพราะความเห็นความเป็นของเรายังไม่ถึงขั้นของท่านแต่าาถึงขั้นของท่าน จะกล่าวป้ายอยู่ทุกวันทุกเวลาหรือว่าทาสอนต้องทันทันรู้จริงพอเราตัวเพื่อปฏิบัติเห็นเข้าไปเท่าไรก็ใจก็ยิงเชื่อยิ่งเหลื่อมใจยิ่งดึงดูดเข้าไปดูธรรมะต้องทันจิตแสดงเอาไว้พวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นมาเพื่อปฏิบัติผรีจะทำำําบําเพ็ญ เหตรู้ให้เห็นพบความตายในวุบวายวินิจวายชายว่าพ้าวันเนนว่าเด็กวะหนุ่มสาวรือเท่าแฒ่มีประจําตัวอยู่ผมไม่รู้อีกว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไรอยู่ดีดีตายไปผมเคยเห็นบางผ่านบางคนแบบคนนั้นแก่แล้วคงจะตายไปก่อนความนึกคิดผานผันคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเราผู้คิดตายไปก่อนเขา วนับไม่ได้มันมีเห็นนั้นจึงหม่ควรนอนใจอยคีลิสตามเป็นอยู่ผลีตพิ ป, ปฏิบัติอาจทําให้เห็นสิ่งที่ดีเด่นจริงจังสิ่งที่ไม่ตายคืออะไรแล้วยึดถือติดข้องกับอะไรในจิตในใจของตัวชำระทรักษ่ออกไป จนจิตใจบริสุดจนหลุดออกจากสมมติเป็นเด่นชัดมาจากชัดเจนไม่ใช่คำหนึง่งหรือสุ่มเดาคำรู้จิหลุดลอยออกไปอย่างนั้นสมมติถั่วไปเลือกกับจิริยา่ทาทีภายนออกเป็นอย่างไรมันเกี่ยวขว้องกันไหมจะทำให้ความบริสุทธิ์ส่วนนั้น เสื่อมเสียไปได้หไหมมันไม่นี้อะไรขี่จะท่องใส่แต่ประพฤติปฏิบัติไปอีกขนาดไหนความบริสุทธิ์ส่วนนั้นจะดีเด่นขึ้นอีกหรือไม่ว่าแม่มีทางท่องใสอีกจึงหมดปัญหาสาหรับการประพฤติปฏิบัติแต่การ <c oughs> ประพฤติปฏิบัติเผื่อละถอนหมดปัญหาแต่ประพฤติปฏิบัติเป็นนิหารธรรมคือความเป็นอยู่สบายของายได้กิ่ที่ยังมีถานมีขันอยู่ขันก็ทําไป ยะมีการเข้าสมาธิสมาบัติในครังพุทธการอารหัตอรหันในช่ท่านหมดส ม, มุติเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะทำอะไรทำไปท่านก็มีขอบเขตของทรรมนิยายอีกเหมือนกันม่ได้ทำสุ่ม4ี่สุ่มหรู้จากการจากเวลาสถ า, านที่บุคคลันมีประมาณเรื่องร่างกายตั้งฐานของพวกเราเหมือน เสีงชายชายหน่ อ, อาชายไม่มีประมาณมังปวดเสีย ง, ง่ายรถเรียนเหมือนกันเสือผขาเหมือนกันอาชายไมมีประมาณขาดง่ า, งายเสียงง่าย <c oughs> เงินทองของเราเหมือนกันใช่ยชายไมนีมีประมาณกูหมด ง, ามาง่ายมีสั้งขาร่างกายของพวกเราเหมือนกันต้องมีประมาณพอสมควร ส้รู้จักรักษาร่างกายจึงจะอยู่ไปได้ตามสติวิสัยของมันในอย่างนั้นก็เสียหายไปง่ายแต่ถ้าเราจะห่วงแต่เรื่องของกายเราควรถนอมรักษาจะผูกพิษปฏิบัติจริงๆจังๆจะเอาอัดเอาทําให้เห็นเด่นขึ้นยังห่วงกาย ก, ก็ไปไม่ได้ห้ไปถึงเสียก่อน ที่เราต้องการแล้วจะปฏิบัติตามเรื่องท้องตายถูกต้องดีาหากเรายังหวงเรื่องท้องตายเหมันจะเป็นจะตายอย่างนั้นอย่างนี้กลัวจะทุกข์ใจอยากจะลำบากลำคานาหากกำลังหายตายไปกตัวจะไม่ได้ความดีวิเศษอยากคิดปรุงอย่างนี้อยู่กวเป็นอุปบิณฑลเป็นเครื่องขัดข้องทางผมเพื่ปฏิบัติดังนั้น เมื่อเรายังไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้สละต่อสู้จริงจังทำจิตทําใจให้แน่นหนาฟักห่างเหมือนนางธรณีคือแผ่นดินเขาจะตาําหนิติชมอย่างไร เ, เ, เขาจะขุดจะเผาแผ่นดินไม่เคยมีการบั่นไหวไม่เคยชมคนนั้นว่าเอาเราไปปั่นเป็นเจดีเ์หรือก็เท้าลูกกล่าวว่าไม่เคยตาําหนีคนนั้นแบบไปเผาไปขไปุดเรา แผ่นดินเป็นของหนักแน่นอย่างนั้นจิตใจของท่านผู้ภาวนาก็ต้องเป็นคนหนักแน่นอย่างนั้นต่อสู้ทนทานจริงจังเกิดความมุ่งหวังอัตธรรมเมื่อเห็นหรือเ ล, ลืกได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจังเรื่องของถาดวกคือถาดสีดินหน้าไฟลมพวกเหล่านี้เพราะม่ามีอคติ เขามาอยู่ในอำนาจของใครก็ เ, เป็นไปตามหน้าที่ของเขาแล้วก็เคยไม่เคยรักเคยชอบไม่เคยเบียดชางใครอยู่ตามเรื่องของเขาผู้ลุ่มหลงคือใครพิจารณาให้เห็นให้รู้ติดไปติดไปขวางไปชอบไปชมต่างๆนี่เป็นอุบายอย่างที่ปรัชนาคือพิจารณา จิตใจของตัวเองโดยอุบายต่างๆปัญญาจะเกิดขึ้นเห็นขึ้นความสว่างสวายของจิตของใจเมื่อแจกไขอะไรได้ก็เบอบสบายไปเมื่อแจกไขหมดมันก็พังเพรานั้นเรื่องสมมติการแจกไขก็เหมือนกันกับเราดื้่บ้านรื้่เรียนของเราถอนมัดตัวนั้นถอนตะปูตัวนี้ออกจากกัน มันไม่อยู่ที่มันเกาะกันอยู่เพราะมีน็อตมีตะปูปลูกมัดมันไว้จิตใจของพวกเราหันที่มันเย็ดมันคือมันส่วนนั้นส่วนนี้ก็คือเรื่องของทิเลือดตันหางของสมมุติต่างๆแะนั้นการพิจารณากายแต่นจรงให้พิจารณาให้แยกทายโดยอุบายต่างๆจะพิจารณาเรื่อง น้ำเหลืองดินต่างๆที่ ส, สอนเอาไว้อาการสามสิบสองพิจารณาออกไวให้เห็นตามเป็นจริงหรือจะพิจรารณาอัสัตว์ อ, อัุทสังพิจารณาความตายให้มันเห็นแล้ากเขาด้วยไฟตั้งขึ้นใหม่สมุดขึ้นกําหนดขึ้นมันเป็นมันเห็นมันรู้ไม่ใช่ความจุ่มเดาวขาดขวัญจิตใจของท่านจี เห็นที่เป็นอย่างนั้นมันเป็นจริงๆผ่าันจริงละจึงถอนความยึดถือต่างต่างได้ละเมื่อถอนออกทุกสิ่งทุกอย่างกบหั่งลงนะสมดุดอยู่ไม่ได้เหมือนบ้านถอนน็อตถอนตะปูทุกตัวออกแล้วเส้าตีฟังอยู่กับพุทล้มลงไปไมนมีอะไรเป็นบ้าน มันทั้งใบมดกต้มมุิว่ายิ้มใบชายไปตัดมาบุคลบคลก็คือมันประกอบกันเข้าหาแล้วแยกส่วนออกไปไม่นี่อะไรเป็นตัดเป็นบุคควันการพิจารณาเกี่บธรรมะพิจารณาคำนองนี้เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นสวามกาหมายและยิ้มใบาชา ย, าายและหนุ่มใบแจ๋ต่างๆจริงๆยึด ถือก็จะปล่อยละปล่อยวางถอดปล่อยถอนตัวออกไปเก็ไม่มีอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายถ้ามันเห็นไปจากษ ช, าชาัดเจนอย่างนั้นใจมันจะไปกำหนดยินดีชอบพออะไรแล้วก็จะต้องถอดถอนเข้ามานี่มันไม่เห็นอย่างนั้นมันสําคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เพราะปัญญายังไหงเข้าไปถึง จริงบางเพียแต่สัญญาผูกจากันไปเท่านั้นปัญญาไปเห็นจริงจรงแจ้งไปจากในจิตละได้ถอนได้วางได้ปล่อยได้บายสอนใจมันมีหลายในแต่ใ จ, ใจที่จะไปดูเห็นเป็นจริงอย่างนั้นจะต้องมีสมาธิคือความหนักแน่นของใจ ความสงบห้องใจถึงแม้ว่า <c oughs> อย่าฟังเพจฟังธรรมอยู่แต่เคยรวมมาก่อนตอนฟังอยู่นั้นพิจนารณาอยู่นั้นสมาธิศีนปัญญามันเป็นอันเดียวกันติดกันไปเห่ในไหจะ ท, ทําสมาธิจะทำสีน์ทาปัญญาทา้งนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกันกบแกงที่เรารวมไปในหมอ้อรสชาตมันเป็นอย่างไร เราก็จะทราบอะไรบ้างหรอืออยู่ในแกงนี่กนกเกลือมีนัำปลาเนื้อผักต่างๆจะรวมแล้วเป็นแกงใครแยกออกแยกๆแลกวมันแกงใปนในหมอ้อเป็นอันเดียวกันแล้วนี่จิตใจที่รวมเข้าไปทีนี้พิจารณาศีลของเรากับบริสุทธิ์เพราะการรักษากายวายจากายวิจาของเราไม่ได้ไป ทำอะไรบริสุทอยู่แล้วจิตก็นิ่งแน่อยู่แล้วในการพิจารณาปัญญาที่พิจารณาก็เป็นปัญญาที่จะลจะเจตขอนอยู่แล้วพร้อมกันอยากมักค่าษามาัธีมีอยู่ในจิต ด, ดวงเดียวจิตรวมรวมไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น การพิจารณาอะไรปวรแจ่มใสชัดเจนเข็นประจับไปหนึ่งคำนวณซึงอดีตอนาคตเร้จะเีนของเราบริสุทธิ์หรือใหม่หรือเป็นอย่างไรคิดไปถึงเรื่องีนเรื่องสมาธิอยู่ต้อรวมกันไดเหมือนเราจะไม่แจ่มอันหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอันหนึ่งอยู่ที่หนึ่งเรืว่าแจ่ยังไม่ได้รดขา ของแต่ละจิ่งแต่ละอย่างต่อไปคนละรสละชาติอีกยังไม่รวมกันการพิจารณาธรรมรวมกันเขา่าหอดถอนกิเลสตัณหาก็คือศีนสมาธิปัญญารวมกันเป็นมรรคสามสี่สามารถที่จะกาจัดความหลุ่มหลงต่างๆความเผิดเฟินต่างๆความติดข้องต่างๆออกจากจิตจากใจได้ทำจิตทำจิตของตนที่เคยหมืดมอน เศ้าหมองให้สว่างสาวยขับไล่เสื่อมชื่อตั้นหาผีเคยนาาําพาจิตใจให้หลุมหลงตอกออกการเจริญนาที่ทํา ม, มามารวมกันเป็นอย่างนั้นแต่เรายังไม่เป็นอย่างนั้นยัง ไ, ไม่เห็นอย่างนั้นเรฝึกอบรมไปให้เหลือวิสัย อะไรทุงส่วนมีครบครบริลีบูลในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องถ้าไม่มีเรื่องยื่เรื่อต้นหาไม่มีค่าสึกเราจะไปเอาชัยชนะจากที่ไหนอะไรที่มันยึดมั่นถือมันติดมันคล้องอันนั้นแหละเป็นค่าสืบของใจเราจะต่อสู้ที่จะนาแก้ไขจะเอาชัยชนะจากค่าสึกส่วนนี้เราต้องลบ นักรบไม่ได้นักรบไปโดนเขคาครมขูนิดหน่อยเจ็บปวดนิดหน่อยเอาละวันลังเอาใหมา่ไปที่หลังไปเจอหน้าเขาตอ อ, อีกรบอีกก็ไม่มีเวลาที่จะได้ลบจะใช้ชนะาจาับที่เหลืต้นหาจากภาสึตของใจาการที่จเจริญ น, นาสอสู้ถ้าเป็นลูกจิตของพู้ได้จับไม่จวายหลังตายก็ควาตายในสงรา มันจะไดเสียวเป็นทหารผิดบางตายดาบหน้าใน้องตายดาบหลังบุกเลือ่อยไปในใต้เป็จะได้ใต้สนนะามทหารผิดดีต้องเป็นอย่างนั้นนักภาวนาพอดีก็เหมือนกันเข้าไปถูกทำเจ็บกวดเหนื่อยๆนิดนเหนื่อยหน่อยโกลบเสียวันที่สื่นตัวเลยเกิดต้อองใส่ เป็นยังไงวะแต่นะบา ร, รมีของเราไม่มีมั้งทำมาหลายปีหลายเดือนแล้วยังไม่เห็นอะไรดีเด่นอัศจรรย์บอกไ้กลัวเรื่องกิเลสปันหากระสิบนิดหน่อยๆโลกลบเสียมันจะได้อะไรคนเมก่าต่อสู่จริงจังเราได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้า ท, ทำมาอย่างไรขันหมอบกายถวายตัวทำจริงจริงจงจง จริงๆดุคนไปจากกิเลสตัณห า, ท, าทั้งทางกิจต่างๆบารมีมาเพียงพอบอริบูรณ์ท่านก็จะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีมารมาลบกวนเหมือนกันพวกเราท่านไมมีปัญญาตายายอย่างนั้นเราเคยมีบารมีเพียงพอบอริบูรณ์หรือไม่พอได้เกิดสงสัยพอท่านมีอะไรตาหูจมูกลิ้นตายใจเหมือนกันกับพวกเราเหมือนใจหรือเราจะไป สงสัยอะไรเรามีครฟอร์บิลิวิลทุกอย่างเหมือนกันกทุกท่านกำหนดพิจารณาต่อสู้ดูจิตใจีิจะไปหมานไม้ต่งตางๆนันจะออกแหน่ไหนมุมไหนเอาเปัญญาแนะสอนเอาไว้ไม่ห้ใจรวมจิตตัมม้มหตัวเจรณาธรรมะขอแนะสอน บอกจิตใจให้สะอาดหากเราทำไม่ได้เราไม่เห็นไม่เป็นก็นจะไม่เชื่อใครเพรใจไม่เห็นไม่เป็นถึงคนอื่นกูเห็นเป็นมาบอกเล่าทักชวนก็ไม่ยินดีเดือดใส่ไม่มีความพอใจอยากกระทำมันเหมือนมีปิดบงังแต่นั้นคนสมัยปัจจุบันถึงมเชื่อว่ามีพระอ ร, ะ ห, อระหันตอรหันต์ผู้ดีวิเศษ ตาเขาไม่มีก็จะได้มองเห็นอะไรก็เลยในเชื่อในคิดในใจแบบบุญคุณโทษต่างๆาไม่มียิ่งสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะเนินอหาจากการประพฤติปฏิบัติกายใจทางศาสนาแล้วจะได้รับรสชาติของศาสนาอย่างไรเพราะการสนใจไม่มีผู้แนะสอนก็ไม่ค่อยจะมีการแนะสอน ทั้งไม่ได้ฟังทั้งไม่ได้คิดจากตัวเองก็เลยห่างไกลไปใหญ่เลยสงสัยอย่ง า, างศา ส, ววาศาสานาเป็นของเือของลา่าสมมคนเขวัดเขวาศึกษาศาสนาเป็นคนแจ่ความนึกคิดของเด็กสมัยปัจจุบันมากอยากเป็นไปแบบนั้นอยากสนใจในอรัรทตรม มีน้อยข้อปู่ใหญ่จิ่จะไปแน่ช้อนโไม่ค่อยมีเกิดเพลินอางใจเหลืองข้องโลเอย่างของอัตของทำจริงจังไม่ค่อยเอาใจใส่วันเาวันอาทิตย์เป็นวันว่างจากการจต่งงานก็ไปเด่นไปเพินส่วนอื่นเทียจะมาฟังเทศตั้งทำอบรมจิตใจชำระสาสาสงทำเสร็จหมองเข้าใจไม่ค่อยมี เป็นคือว่าเรื่องของโลกเป็นเรื่องสนุก ส, สบายเห็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องดีเมื่อดีแล้วก็ละไม่ได้พราะยังติดในความดีของตัวอยู่ยังหาสู่แก่โลกได้อยู่นี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทั้งที่เป็นกษัตริย์ไม่ได้ติดได้ข้องในตัวเหล่านั้นจิต ด, ดูพุทธประวัติก่อนจะเสด็จที่เหนืจะโอมทรงบรรพษา พ็เปิดมา่านออกมานักขนมจํานวนมากที่นอนหลับเฝ้าอยู่นะท่านเห็นเป็นปายช้าทีด่ดิไม่เห็นเป็นคนธรรมดาก็าจิตของท่านพลิกขณะปกติจิตที่ไหนพลิกยังคงที่ธรรมดาอยู่เห็นคนก็เป็นคนเห็นวสวยกวสวย็สวยตามเรื่องพวกกิเลสตัณหานี่จิต ทิศเข้าไปภายในเห็นว่าเป็นป่าชา้าผีดิบพวกคนจะตายอยู่ทั้งหมดที่นอนอยู่นี่ไม่มีใครที่จะเลื้อหรอจะไม่ใช่ป่าช้าอย่างไรทำแบบผีก็คือของผีไม่ดีไม่งามก็อะไรมันงามอยู่ในกายของเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้ น, นท่านพิจารณาอย่างนั้ น, นท่านจึงเบือ่อเห็น กาสาราดสว่างเป็นพืินเป็นไฟตรงนี้ไปฮะอัดหาทําเพื่อสองบระงับ จ, จิตใจยึ่งตัดพัดไทยเมลาไทายขโมยหนีงในตอนตลางถึงมีจิตใจของท่านเห็นเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นเห็นเท่าไรก็ไม่มีการเบื่อในการดูในฟังเท่าไรก็ไม่มีการเบื่อในเสียงที่ชอบ กิเลศมันผูกมัดดึงดูดอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะแม่เนดน็พิจารณาอาจทำทำเป็นแจกเรื่องแจกไขกิเลศทำไข่จิตจิตของต่างๆเราพิจารณาทำวอกโามาสอนใจทำเสิดเินควกพันในเรื่องทุกโลกเบาไปสบายไปไม่ห่วงไม่หลงนั่นที จริงทีโลกของเขาหลงแต่จิตของพูดจิตคำไม่หลงอย่างเขาเพิดเพินยินดีันตั้งเวทหลดใจอย่างอคาทาวะทั้งสองอุปติสระนาลิบุตอุโกริตาหมกลงัง <c oughs> ไปดูหมงหอละศพทุกวันเคยเพิดเพิ น, เหนหันหันต่างๆแต่ขณะจิตวันนั้นไปดูไม่เหมือนทุกวัน ดูแล้วคิดไปเอะนี่คนมันมาเล่นมาเพลินฐานนั้นฐานนี้ในช่อันอื่นแล้วทั้งคนเล่นคนดูอยู่ในนี้จํานวนมากขนาดนี้ไม่ถึงร้อยปีก็จะต้องตายกันเกลี้ยงในนี้ใครเหลือหรอกเราจะมาคิดเพเพลินทําไมในเรื่องเหล่านี้เพราะจิต ค, คิดได้เรื่องเหล่านี้คิดขึ้นจากตัวเองสอนตัวเองเอย่างก็เลยหมดตามสนุกเพิดเพลิน ชวนกันออกทั้งสองจิดเหมือนกันใน ม, มีการสนุกเหมือนทุกวันที่เคยไปดูหาทางเราเพื่อปฏิบัติจิตใจให้ฝนทุกก็อยู่ก็จะเป็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นในจิตในใจในใจมันจะหลงเลื่อยไปถ่าอาศัยธรรมเรื่องแสงสว่างสองทางแล้วจิตใจที่เคยลุ่มหลงจะวบ มาทางหมาทิ่เคยไปทางโลกก็จะกับตรงกันข้างหันตัมาทางธรรมมีด้ยมากมันไม่ได้จิบวกกลับส่งหน่อออกไปยิ่งไกลเหมือนยิ่งตามเงาทรรมาของพระเจ้าโอปนยยัยญโกน้อมเข้ามาภายในของตัวเลยตรงออกไปทางหน่อ อางพระพุทธเจ้าเห็นคนแก่ก็น้อมมาสอนตัวเว่าเราก็จะต้องแก่เห็นคนเจ็บเราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายพระพุทธเจ้าท่านนามาสอนตัวของใครอ่ะเห็นสมณะท่านนั่งทํานทำท่าเขา่าจานสมาบัติท่านคงจะได้ความถูกความสบายท่านองค์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทิ้ะนะอัดทำแจ่มใสดีเด่น ไม่มีการกังวลเรื่องอื่นความสุขคงจะมีอยู่ในจุดนี้เกิดเลือกไหญเกิอดอย่างออกบวชก่อนที่จ ะ, จะเรดยนออกบวชเห็นอย่างนั้นแต่จริงว่าเทวทูตคือผู้บอกอย่างเทวดาบอกของจริงความเก็ความเก็บคว า, า, ามตายเปนของจริงไม่ใช่ของเล่นแต่เราเห็นเป็นไทยเขามักใช้จ่าเห็น ว่าเขาบอกแบบเทวดาถ้าไม่มีส่วนเหล่านี้ใครเล่าที่จะคิดหนีจากโลกจากส่งสารใช้็จะตุ้ยินดีเผยเกินในพวกจาาของตหนหลักแน่น้าไปขนาดนี่มันมีถึงจะเผยจะเพลินจะสนุกขนาดไหนวามใจก็ไม่เคยไวหนะักถึงเวลาก็แย่ไปวามเจ็บก็เหมือนกันจะรักษาอยู่ขนาดไหนก็ยังมีเก็บมีไข้ ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีตานันมีรเรียกว่าอริยสัจของจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีโกหกพกรลมใครสมัยใดก็าตามนิทยาศาสตร์จกก้าวหน้าขนาดไหนจะแก้ไขอริยสัจของพระพุทธเจ้าแก้ไขไม่ได้ยิ่งอย่างไรก็คงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นใครจะฉลาดเสียบแหลมมาจากที่ไหนก็มาเถอ จะทำเครื่องบินหรือจะรัวดดาวเทียมอะไรทีไปเถอะทีนี้ความตายจะไปโลกไหนโลกพระอาจารย์พระอังคารก็ไปเถอะก็จะต้องตายอยู่นั่นพุกข์แล้วติดตามไปไหมจะต้องติดตามไปอีกเขาจะไปสิดใดทางใดพกกุกคนจะต้องติดตามไปหาจิตใจไหนแกกไข่ที่เจรินาเห็นตามเป็นจริงแล้วคนนั่นจะพุกตลอดไป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 รูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆวางได้ปลอยได้เ น, นซึว่าการอยู่ป่าอยู่สงบวิเวกเป็นที่เยือกเย็นเป็นที่สบายเป็นที่ของพระโยคาวจรคือผู้ต่้งหน้าตัางตาเพืพึ่งปฏิบัติเพื่อจะข้ามพ้นไปจากวัตฏสงสารผู้ชีมุ่ง มั่นในการปฏิบัติอาจิธรรมจะต้องแสวงหาที่สงบสงัดปฏิบัติสะดวก